โยมปฏิบัติทรมาก็หลายปีนะคะโอ้ในนี้ก็โอ้แต่ละคนก็ปฏิบัติกันมาหลายปี <c oughs> หลายปีแล้วเนี่ย <c oughs> แต่ก็เริ่มจากสมถาะานะคะก็นั่งสมาธิ แต่ตอนตอนสุดท้ายหลังๆเนี่ยก็จะมีมีเดินจงกรมนะคะบ้างแล้วก็พิจารณาธาตุขันนะคะก็ส่วนใหญ่สภาวะธรรมที่เกิดเนี่ยจะเกิดจากตอนนั่งสมาธิจิตจะสงบเร็วแล้วก็มันโล่งเบาสบาย เหมือนกันกับการเดินจงกรมนะคะก็จะเห็นการก้าวการเคลื่อนไหวแล้วก็ตัวเบาแบบนี้ค่ะก็ไม่ไม่ทราบว่าจะต้องปฏิบัติยังไงต่อไปเพราะว่ารู้สึกมันก็ยังติดอยู่ตรงนี้ค่ะอยากขอคำแนะนำจากลหลวงพ่ออันนี้ปฏิบัติไปกี่ปีแล้วเนี่ยค่ะกี่ปีแล้ว อืมปฏิบัติตั้งแต่เด็กๆ ก, ก็ช่วงนั้นก็ oh, ตั้งแต่เด็กๆ เ, เลยสมถะนะคะก็ตามคุณพ่อคุณแม่แบบนั้น oh. แต่แต่ช่วงหลังๆก็ทํางานบ้างอะไรบ้างแล้วก็ห่างเหินจากการปฏิบัติธรรมไปแต่มาช่วงหลังสุดท้ายเนี่ยก็หลังจากที่ออกจากรีทายแล้วเนี่ยนะคะก็ก็เริ่มมาปฏิบัติใหม่ก็ประมาณสิบปีได้ละคะ่ะ ที่ที่เริ่มจริงจังอ่ะนะคะโอ้โหสมัยมันเด็กจะมีครูบาอาจารย์ไหมที่ที่ส่องอารมณ์ให้ไหมที่ทะาน ร, รู้รู้วาลจิตรู้อะไรสอนงส่องอารมณ์นี้ให้ไหมก็มีอยู่ค่ะนีเหรอแต่เดิมมากก็าาไม่ค่อยได้ไปส่งอารมณ์อะไรไม่ค่อยได้ส่งอารมณ์กับพระอาจารย์เท่าไหร่เพราะว่ามีความรู้สึกว่ามันมันเหมือนเดิม ถ้ไม่ได้แก้ไม่ได้ชี้แนะอะไรให้ละดีไหมได้ชี้แนะ ใ, ให้ก้าวหนา้าพัฒนาด้านปัญญาต่อไปยังไงไดีไหมยโยงคงแบบปฏิบัติเองอ่ะค่ะไม่ไม่ใช่<อ>แต่ละคปนปฏิ บ, บักมาหลายปีเนี่ยคือจิตมันจะนิ่งอยู่แล้วก็แต่ว่าขณะเดียวกันนี้แล้วก็รู้ความเป็นไป สิ่งที่อยู่รอบข้างนะคะคือไม่ใช่ว่านิ่งสงบอย่างเดียวคือเราจะรู้ด้วยมีตัวรู้ด้วยว่าใครพูดใครอะไรยังไงก็ดีนเสียงหรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะชื่อชื่ออะไรโยมชื่ออะไรนะซูมาลีค่ะซูมาลีค่ะ สมมมรีมันลักล่าวการไปงวนรักษาจิตใจของตัวเองไว้ในห้องว่างในห้องที่สงบอยู่ตลอดคือตรงเนี้มันไม่มันไม่ยอมเอาตัวเองออกมาจากห้องว่างห้องสงบคือมันเอาเหมือนลกักล่าตัวเข้าไปปิดประตูห้องไว้แล้วไปไปอยู่เอาตัวเขาอยู่ในห้องว่างห้องสงบนพะ mm. อมันใจมันสงบแล้วมันจะต้องไม่ไม่ไม่เยื่อใหญ่ ใจต้องไม่เยื่อใหญ่อะไรอววรต่อความสงบนั้นต้องพัฒนาต่อต่อยอดไปสู่ความพ้นทุกข์ในปัจจุบันโดยที่ใจนะั้นไม่เข้าไปเยื่อใหญ่อะไรอววความสงบนั่นเลยพอสงบใจแล้วก็ไอ้จะเกตให้ดีๆมันมีงานอื่นที่ต้องทําต่อไอ้ความสงบนั้นยังมันไม่ใช่ยังไม่ใช่ไม่ใช่ตัวหลักมันเพียงแค่เบื้องต้น เบื้องต้นเสร็จแล้วพอพอถึงเบื้องต้นได้เบื้องต้นแล้วก็พิจารณาต่อยอดไปเห็นว่าในความสงบเนี่ยสังเกตได้ดีๆโดยไม่สนใจความสงบได้เลยแต่สังเกตได้ดีๆว่าในความสงบสบายความเบาเนี่ยความว่างอ่ะมันมีมันมีอาการของจิตที่ไหวไหวไหวไหวไหวไหวไหวมันมีจิตที่เคลื่อนไหวอยู่ในความสงบนั้นมันไม่ได้มีความสงบจริงหรอกมันมีความเคลื่อนไหวอยู่ในความสงบ แล้วไปเห็นนู่นเนี่ยความเคลื่อนไหวนั่นเนี่คือนี่เนี่ยคือคือความรู้สึกเป็นตัวเรานจะเป็นขันท่าเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันมันพูดได้บ่นได้มันตึกต่อมันคิดมันนึกมันตึกมันตอมันวิเคราะห์วิจารณวิจัยอยู่ในความสงบนั่นแหละแต่จริงเน่ะแต่เราเนี่ยเอาตัวเราเนี่ยไปดูความสงบไปรู้ความสงบแต่เราไม่ได้มารู้ตัวเราเนี่ยตัวเราผู้รู้ความสงบถ้าเรามารู้ตัวเราผู้รู้ผู้ผู้รู้ความสงบเนี่ย เราเราจะเห็นตัวเราเนี่ยพุ่ไม่หยุดบนไม่หยุดเลยเป็นคนี่บ่นตลอดเวลาเลยที่จริงไม่สงบเลยคือตอนนี้ของโยมสมลรีเนี่ยเอาตัวเองอ่ะไปรู้ความสงบแต่ไม่ได้รู้ตัวเราเองพูไปรู้ความสงบเข้าใจัหมเนี่ยงง <c oughs> เดี๋ยวเดียวโย ม, มาเรียงงเอ๊ะฉันจะพูดเขาจะกบพูดอะไรวะ คือในความสงบนั้นมันมีตัวเราไม่สงบแต่เราเนี่ยรู้แต่ว่าโอ้ยมันสงบบ้างเลยแต่จริงๆมันมีตัวเราอยู่ไม่มันอยู่ในความสงบนั้นที่มันไม่สงบให้เราสังเกตว่าเนี่ยในความสงบมันมีตัวเราไม่สงบไม่สักรต้องการให้สังเกตเห็นตรง น, นี้เนี่ยอืมไม่เห็นเลยค่ะเนี่ยหีไืไ ม, ไม่เห็นตัวเ ร, <poo> รวาไปเลยโยามบุีเนี่ยเอาตัวเองอ่ะไปอยู่ในความสงบไ <hing S 2> ปเห็นแต่ความสงบเลยไม่เห็นตัวเราเนี่ยที่มันพูดอยู่คนเดียวในความสงบนั้น เนี่ยมันเหมือนกับคล้ายๆงี้ตอนที่มีคนมในปฏิบัติธรรมอยู่ในป่าในในเขาที่มันเงียบสงบสงัดเลยโอ้ที่นี่ทำไมเงียบสงบสงัดแบบนี้เนะโอ้โหมันเงียบจริงๆเลยเนี่ยมันที่นี่มันเงียบสงบสงัดจริงๆอะแต่ตอนแรกอะธรรมชาติมันเงียบสงบเลยสงัดอยู่อะแต่ตอนที่เขาบอกว่ามันเงียบมันสงบสงัดพอเขาเข้ามาเนี่ยมันเริ่มมีหนึ่งหนึ่งแล้วที่ไม่สงบสงัดใคร มีใครที่ทําให้ตัวเรในดับการความสงบมันมีมันมีใครเข้ามาทำํำมมีใครที่ไม่ไมสงบอยู่ตนคือตัวเราใช่ไหมนั่นแน่โอ้เดินไปธรรมชาติโอ้ธรรมชาตินี่มันเงียบสงบอย่างยี้โอ้ใจเรามันเงียบสงบมากเลยเนี่ยมันเงียบสงบมาเลยแต่เราไม่เห็นว่าจริงๆไงตัวเรานั้นไม่สงบแต่ใจเขาสงบแต่ตัวเรานั้นไม่สงบเหมือนกับว่าพอเวลาสงบแล้วมันมีปิติอนะคะแล้วก็ปั๊มมัน รู้สึกมันมันกับดิ่งอยู่ในนั้นเลยมันเข้าไปอยู่ในนั้นเลยมันเข้าไปในนั้นเลยแล้วก็เลยไม่เห็นตัวเราแต่พูดยังไงเห็นตัวเราเนี่ยแต่อันนั้นเป็นช่วงแรกๆนะคะพอถัดมาเนี่ยต่อจากนั้นเนี่ยซึ่งปฏิบัติบ่อยๆมันจะกลายเป็นว่าจากการที่รู้ว่าสงบ มันจะกลายเป็นว่าเรารู้สึกตัวมี ม, มีมีตัวรู้มีตัวตื่นจิตตื่นขึ้น<ม>ก็คือสามารถที่จะไม่ได้นั่งสงบอย่างเดียวคือรู้อะไรเกิดขึ้นรอบๆโดยที่เราก็ไม่ได้เอาจิตไปจดจ่อนะคะคือคือเราก็จะรู้รับรับทราบว่ามีอะไรยังไงแต่ว่าก็ปล่อยปล่อยวางหมายถึงเราก็ไม่ได้ตามนั้น ตลอดไปก็แล้วแต่ว่าสภกพักว่าทำอะไรจะเกิดขึ้นอืเร า, เาตัวเราปล่อยวางเราเนี่ยตัวเราไปปล่อยวางรอบด้านแต่เราจับความสงบไว้ อ, อ, อ่าแล้วหลวงพ่อแนะนํายังไงคะให้ให้ให้ปฏิบัติยังไงนนเนี่ยก <laughs> ําลังแนะนำนี่แนะนําว่าเนี่ยปล่อยวางตัวเรา ผู้ผู้จับความสงบ ไ, ไว้เนี่เราเนี่ยจับความสะงบไว้แล้วก็รู้รอบด้านเลยเราก็ไม่ยิดอะไรเลยแต่เ<อ>นี่ความจริงเนี่ยเราตรงเกตดีๆแต่อะอย่าไปเราเนี่ยปล่อยวางตัวเราเนี่ยปล่อยวางตัวเราเออเดี๋ยวจะพูดยังไงอะปล่ยังไงปล่อ ย, าอ ย, อยไไวางยังไงแหมบางทีคำพูดมันยา ก, กวันนะใขาช่วยอธิบายเราให้เราหน่อยได้ไหมเนี่ยปล่๋ยไม่ได้คือแทนที่จะ เราเดี๋ยจะไปรู้ความสงบแต่ให้รู to to ้ตัวเราเนี่ยมันคืออย่างเงี้ยได้ไหมเอาคูตกไปตรงมาอย่างเงี้ยจิตที่เขาส่งออกนอกหรือเปล่าคะก็ส่งออกนอกมันไม่มันไม่เห็นตัวจิตแต่มันไปเอาจิตไปตัวออกนอกที่ความสงบมันส่งออกนอกอยู่เอาเอาของหน่อยที่ช่วยหน่อยที่เอเอาเมาไม้มาตวงของช่วยอธิบายหน่อยที่ช่วยช่วยกันน่ะเราปฏิบัติไม่มีใครนั่นเราช่วยกันให้มันเข้าใจแค่นั้นแหละ บางทมันจะภาษาพูดของเราเนี่ยเราก็จนบรรยามทีมันก็ตันคําพูดหาคําพูดมาช่วยอธิบายท่านเข้าใจเดี๋ยวเดี๋ยตั้งใจฟังกันหน่อยดิว่าไงคอขวักกัดครับหลวงตาคอขวักกัดพี่ด้วยนะครับก็เ อ, อเหมือนเราเข้าไปอยู่ในเดินเข้าไปอยู่ในห้องนะครับเปิดประตูเข้าไปปึ๊บเราก็บอกว่าพี่ก็จะสร้างอ๋อห้องนี้ว่างหรือเปล่าเราก็ตอบตัวเราเองว่าว่าง แต่เราไม่เห็นคนเดินเข้าไปในห้องว่าในห้องมันมันว่างจริงไหมฮะเพราะเพราะเพราะมันมีตัวเราเข้าไปอยู่ในห้องเราลืมมองตัวเราเราลืมมองตัวเราที่ที่ไปเห็นห้องว่างพี่ก็ต้องย้อนกลับมาดูตัวผู้อยู่กับรู้ะครับพี่คืออยู่กับรู้พออยู่กับรู้ปุ๊บอ๋อเราก็จะเข้าใจว่าโอ้มันมี ม, นมันมันมีมันมีสิ่งที่ถูกรู้ และมันก็มีรู้ใช่ไหมครับถ้าพิจารณาอย่างนี้อยู่เนืงๆเนื่งๆเนืองๆเนงๆแล้วก็อย่าประจักษ์กับความเป็นจริงอยู่ตลอดและนอกจากใจที่ว่างเปล่าแล้วหรือว่าจิตเดิมแท้แล้วเนี่ยทุกอย่างที่มันเคลื่อนที่ได้ล้วนเป็นสังขารปรุงแต่งทั้งสิ้นเมื่อมนเป็นสังขารปรุงแต่งทั้งสิ้นแล้วมันก็เกิดแล้วก็ดับ เป็นธรรมดาของมันไม่มีใครเข้าไปยุ่งอะไรกับมันถ้าเราเห็นอย่างนี้อยู่เนืองๆบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆแล้วก็จะไม่ไปจับอาการว่างเพราะเราอยู่กับกับสิ่งที่เป็นรู้ครับพอเข้าใจไหมครับครับถูกครับเข้าใจยังไงเดนี้เอาเอาใจจริงเปล่าเอาหม่ให้หน่อยดี ที่เราคิดว่าเราว่างเราสงบเนี่ย<อ>จริงๆแล้วเราไม่ได้ดูว่าเราตัวไม่ได้นึกถึงตัวเราเองว่าขหขยุดนิดนึงนิดนึงนะครับคือคือเราก็ไปจับว่างอีกแล้วนะครับคือคือมีเราไปไปเอาว่างอีกแล้ว<อ>คือปุ๊บเราก็จะมันมันมันชินนะครับที่อย่างนี้เป็นธรรมดา มันเป็นทางเดินของผู้ผู้ฝึกจิตก็ก็เป็นธรรมดานะครับพี่อ๋อแสดงว่าติดตรงนี้มานานเลยแน่นอนครับพี่ยี่ยี่สิบปีครับก็ก็มันมันเคยชินนะครับมันเคยชินเหมือนว่าอันนี้เราชอบเราก็จับระการเบาสบายว่างๆชอบแล้วก็ผักใส่อย่างอื่นออกไปก่อนฉันชอบว่างก็ว่างอย่างเดียวว่างว่างวางวงไปแต่ทีนี้ต้องต้องพลิกตัวครับพอรู้ว่าตัวเองอจะจะเข้าห้องหรือว่าหลวงตาจะสอนเสมอว่าเป็น เป็นเเอเอห้องน้อยหอยสังใช่ไหมครับหลวงต า, บ, านนบ้านน้อยหอยสังเราก็จะสร้างมันขึ้นมาแล้วพอเราเจออะไรที่มันไม่ถูกใจหรืออะไรก็แล้วแต่หรือว่าเจออาการใดๆเป็นทุกข์หรือโดยมากก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับปุ๊บเราก็จะหลบเข้ามาอยู่อาการว่างแต่จริงๆแล้วพ่อแม่ครูอาจารย์ก็จะบอกว่าสุขเราก็พิจารณาก็ให้รู้ทุกข์เราก็พิจารณาให้รู้ ก็รู้ตามสภาพความเป็นจริงที่ที่ที่มันเกิดนะครับครับขอบคุณค่ะเข้าใจว่าครับเข้าเข้าใจว่าว่ายังไงครับพี่เข้าใจเข้าใจว่าคือคือตอนเนี้เอาเอาอิทธิกาตอนนี้ก็คือออกมาออกมาเป็นปกติได้แล้วแต่ตอนนี้จะไปสนใจความเบาสบายอีกนะค่ะค่ะแล้วก็เนี่ย สังเกตดูที่ตัวดูตัวเราเสิสังเกตดูที่ตัวเราเนี่ยมันพูดไปอยู่มนบ่นอะไรพูดอะไอยู่คนเดียวคิดอะไรคนเดียวตึกตอนอะไรก็ปล่อยวางมันไปเรื่อยๆปล่อยวางให้ตัวที่มันจิตมันกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิอะไรเนี่ยปล่อยวางไปเรื่อยๆจะไปสนใจเบาสบายเห็นไหมเนี่ยตามองเหตุของตาเนี่ยวหูฟังเสียงของตาเนี่ยเครื่องในเนี่ยมันจะต้องคิดแสกซอนของตาพูดซ้อนคิดแรกซ้อนอยู่ตลอดเวลาไม่มีหรอกใครไม่คิดแสกซ้อน เห็นไหมเนี่ยเห็นว่าเราลังกำลังคิด่ย้อนอยู่คิดย้อนย้อนหลักนะมันคิดอะไรอยู่เนี่ยพูดซ้อนเนี่ยมันพูดซ้อนลุงตาเนี่ยมันพูดซ้อนอยู่เห็นไหมมันพูดซ้อนซ้อนซ้อนซ้อนอยู่ตลอดเวลาเลยเราเคยไงคือเวลาเราเนี่ยมันมันทุกคนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่นะเวลาเราดูโทรทัศน์เนี่ยเราเนี่ยทุกคนเวลาดูโทรทัศน์เราจะดูแต่ในโทรทัศน์ใช่ไหม แต่ตอนนี้มันยากนะคือว่ามันเราไม่เคยฝึกแบบเนี้ยคือเราดูโทรทัศน์แทนที่เราจะดูโทรทัศน์แต่กลับมาดูตัวเราผู้ดูโทรทัศน์อืมมันเลยไม่เคยอะตรงเนี้ ม, นมันเลยไม่เคยแบบเนี้ยถ้าเราเนี่ยอเวลาเราไปรู้สภาวะปิติสุกกายเบาใจเบาเหมือนโทรทัศน์แล้วเราก็เอาตัวเราไปดูอาการปิติสุกกายเบาใจเบาเหมือนเหมือนเอาการกายเบาใจเบาไปโทรทัศน์แล้วเราก็ดูในดูโทรทัศน์ แต่ให้มาดูตัวเราผู้ดูโทรทัศน์แต่คนทั้งหลายเนี่ยไม่จะทำให้เป็นนะคือถนัดที่จะเอาตัวเราเนี่ยไปดูโทรทัศน์แต่บอกให้ดูตัวเราผู้ดูโทรทัศน์มันเลยดูไม่เป็นอาการที่มันเบาสบายว่างโลปิติจําสุซาสุซาอันนี้แนมันคืออาการโทรทัศน์ แต่เราเนี่ยอย่าฝึก tamam แบบนั้นถ้าเราเอาตัวเราไปดูโททัศน์เนี่ยมันไม่พน้นทุกมันจะเหมือนประชาชนทั่วไปคืออริยะเจ้าให้ทวนกระแสเข้ามาหาตัวเราเนี่ยผู้ดูโทรทัศน์แล้วเราจะเห็นว่าเราจะไม่ติดอะไรในโททัศน์เลยเพราะอะไรเราไม่สนใจที่จะดูโททัศน์แต่เราก็ดูโททัศน์อยู่เอาโทรทัศน์เป็นเครื่องล่ออยู่เพื่ออะไรเพื่อจะว่ามีโททัศน์เป็นเครื่องล่อให้รู้โทรทัศน์แต่ต้องการจะมาดูปล่อยวางตัวเราผู้ดูโททัศน์ เคือให้เรามีสติกับคืนมาแทนที่จะไปอยู่เกาะอยู่กับว่าอ๋อมันว่างมันโล่งมันเบาสบายเออถูกต้องถูกต้องถูกต้องก็ให้ให้ให้ตื่นให้มีสติตื่นไอ้มาปล่อยวางตัวเราพูดไปรู้ว่างโลกโปรเบาสบายเนี่ยไอตัวเราเราจะเห็นว่ามันพูดไม่หยุดหรอกคิดไปหยุดบนไม่หยุดมันรู้อะไรมันก็พูดไม่หยุดบ่นไม่หยุดต่อให้วางโลกโปรเบาสบายไอตัวเราก็พูดไม่หยุดบนไม่หยุด แน่แนะก็มาปล่อยวางตัวเราตลอดเวลาเข้าใจไหมเข้าใจค่ะเออมันมันจะทวนกระแสโลกหน่อยคือจะทําให้เหมือนโลกคือว่าโลกเขาเนี่ยเขาต้องเอาตัวเราไปไปรู้อะไรก็ต้องเอาตัวเราไปรู้เอาตัวเราไปรู้แต่ตอนเนี้ยมันจะต้องกลับมารู้ตัวเรามันเลยต้องฝึกใหม่ไง่ะอีนี้เราเราใช้ชีวิตประจำวันเราจะต้องเปลี่ยนไปแหละถ้าเราจะเอาสติปัญญาจริงๆเราจะต้องเอาตามตัว ถ้าจะเอาสติปัญญาจริงๆอ่ะเราต้องดําเนินชีวิตประจำวันเราต้องเปลี่ยนหมดเลยคือปกติชีวิตประจําวันเนี่ยเราก็เห็นแต่คนอื่นเนี่ยเราจะเห็นแต่คนอื่นเนี่ยชีวิตประจําวันเราเนี่คือเราเห็นคนอื่นเห็นสิ่งนู้นสิ่งนี้เห็นในงานที่เราทําเนี่ยแต่ผู้ปฏิบัติธรรมที่มุ่งสู่ความพ้นทุกข์คือมันเห็นแต่ตัวเองอคือมันไม่สนใจเลยคนอื่นเนี่ยไม่สนใจเลยแต่มันสนใจว่า เราเนี่ยเอาคนอื่นเนี่ยเขามาวิาพาควิจารณ์ในใจเราว่ายังไง <fibers. S 1> แล้วก็ปล่อยวางปล่อยวางไอ้จิตเราเนี่ยที่ไปวิาพาควิจารณเขาปล่อยวางตัวเราเรื่อยไปเลยมันจะไม่ไปสนใจมองแต่งานการมองแต่คนนู้นคนนี้ <ğin> แต่มันมองแต่ตัวเองมองแต่ใจของตัวเองสติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจละที่ใจปล่อยวางที่ใจสติตั้งที่ใ จ, ต, ต, ใจตลอดไปเลยมันคือตั้งแต่ที่ผู้รู้เนี่ยมันไม่ไปตั้งแต่สิ่งที่ถูกรู้เลย แต่คนทั่วไปเนี่ยมันจะเอาสติอะไปรู้เขาอย่างเดียวเลยคือสติตั้งอยู่ที่ไหนความรู้อยู่ที่นั่นความรู้อยู่ที่ไหนสติอยู่ที่นั่นสติกับความรู้มันอยู่ด้วยกันเมื่อเราเนี่ยไปรู้อะไรแล้วเราเอาแต่สติเนี่ยไปตั้งวว้ที่เขาเนี่ยเราเลยไปรู้เรื่องแต่เรื่องของเขาเนี่ยคนนี้เป็นอย่างนั้นคนนั้นเป็นอย่างงี้คนนี้ทำไมอย่างนี้คนนี้ทํามอย่างนั้นคนนั้นทํามอย่างงี้คือรู้แต่เรื่องเขาแต่ไม่รู้ใจเราอย่างเดียวอะตัวนี้มันเลยยากอะเพราะว่ามันตัวกระแสคือ แทนที่เราจะไปรู้แต่เขาเนี่ยเรากลับมารู้ใจเราเองว่าสติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจละที่ใจปล่อยวางที่ใจรู้อะไรรู้ที่ใจเราทวนกลับมากระแสมาหาผู้รู้ค่อพอได้ยินเสียงอะไรแทนที่จะไปได้ยินเสียงรูนเสียงนี้ไพเราอฟังคนร้องเพลงโอ้ชื่นใจเพลงเพราะมากเลยเพลงนี้แต่เวลาผู้ที่ปฏิบัติธรรมพมุ่งสู่ความพ้นทุกข์เขาไม่ไม่สนใจหลักเพลงที่เพราะเพราะอะไ สังเกตแต่ว่าผู้ที่รู้เพลงอ่ะมันพูดว่าอะไรมันบ่นว่าอะไรมันได้เคราะว่าอะไรมันคิดดื้อตองปุงแต่งว่าอะไรแล้วก็ปล่อยวางแต่แต่ผู้รู้ได้กินก็นเหมือนกันริมรถอาหารเนี่ยชาวโลกทั่วไปก็เวลาจะกินอาหารเนี่ยพออาหารมาเสิร์ฟตามพัตาคารหรือว่าตอนเช้ากินฉุยมาไม่หาชื่อใจวิจารณแต่อาหารนี่ยแหละโอยหอมดจริงๆขอ น, นี้มันน่ากินจริงๆเวลานนเนี่ยนะกินชุยชุยชุยแมโคกอร่อยมากเลยเพราะกินมันออกมา ก, ก่อนแล้ว รู้แต่อาหารเนี่ยรู้แต่กลิ่นของอาหารแต่ยังไม่ชันกินเลยไม่รู้ใจตนเองมันพูดว่าอะไรเวลาปากลิ้มลิ้นเนี่ยได้ลิ้มรสอาหารเปรี้ยวหวานมันเค็มอร่อยไม่อร่อยอ่ะมันก็รู้แต่รสของอาหารเนี่ยแต่ไม่เลยรู้เลยว่าจิตใจเราพูดว่ายัางไงงั้นก็ต้องฝึกกลับมาดูจิตตัวเอง มีสติอยู่กับตัวเองสติตั้งที่ใจค่ะดูที่ใจดูที่ใจละที่ใจปล่อยวางที่ใจงั้นเวลานั่งสมาธินี่จะนั่งยังไงล่ะไปถึงือเวลานั่งสมาธิไม่ว่าจะนั่งสมาธิยืนเดินนั่งนอนเข้าห้องน้ามั่งส้วมเดยนิดเนี้ยสติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจละที่ใจปล่อยวางที่ใจตลอดเวลาค่ะต้องต้องไปเริ่มต้นใหม่ก่อไก่ใหม่เข้าใจไหมเข้าใจค่ะเออ มันถ้าเราเนี่ยเอาตัวเราไปรู้เนี่ยมันจะส่งจิต อ, ออกนอกเป็นสมุ<ะ>ทัยเป็นเหตุได<ะ>้เกิดทุกข์หรือไม่พ้นทุกข์ผลในจิตส่งออกนอกเนี่ยมันมันเป็นทุกข์หรือทําให้ไม่พ้นทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งก็คือทวนก็หาผู้รู้เนี่ยคือเรียวกว่าจิตจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมัจผลในจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธคือพ้นจากทุกข์ต้องทวนกระแสเข้าหาผู้รู้เสมอมันเลยยากหน่อยเพราะว่ามันเป็นของที่มัน ปฏิบัติผิดกับชาวโลกเขาคือชาวโลกเขารู้อะไรเนี่ยมันจะไปรู้แต่สิ่งที่ถูกรู้แต่ผู้ปฏิบัติธรรมมุ่งสู่ความพปนทุกข์ในปัจจุบันมันมารู้ที่ผู้รู้ซะมารู้ที่ตัวเราผู้รู้มันจะไม่ไปรู้ที่คนอื่นนี่มันเลยทวนกระแสเข้ามาตรงนี้มันเลยยากเข้าใจไหมค่ะใจ่ค่ะแต่มันไม่ยากสำหรับาคนที่มีความเพียรก็เพราะอะไรมันรู้อะไรแทนจะไปสนใจติ๊กแต่สิ่งที่ถูกรู้มันก็มารู้ที่ตัวเรายริงเลย พปล่อยวางที่ใจเราเนาะเอาใหม่เนาะถ้าต่อไปก็พมทธศาารู้ใจเราได้กับทุกทุกแหละ